ไม่ประดิษฐานทักกินาอันส่งผลสูงในสมณพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งอำนวยอารมณ์ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์โภคะ้าของเขาที่ไม่ได้กินใช้โดยชอบเหล่านั้นราชาทั้งหลายย่อมริบเอาไปเสีบ้างโจรย่อมลักไปเสีบ้างไฟย่อมไหม้เสีบ้างน้ำย่อมพัดพาไปเสบ้างทาาทอปรีย่อมเอาไปเสีบ้างโภคะาเหล่านั้นของเขา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 เลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรคนงานมิตรหายผู้ร่วมงานให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มยอมประดิษฐานทกิคนาอันส่งผลสูงในสมณพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งอานวยวอารมณ์ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์โภคะของเขาที่ได้กินใช้โดยชอบเหล่านั้นราชาทั้งหลายก็ไม่ขนเอาไปโจรทั้งหลายก็ลักไม่ได้ไปก็มีได้ไม่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 มหาบุพพิธเหล่าสัตว์คือหมายถึงมนุษย์จำพวกที่ได้โพกกระซย์ยิ่งใหญ่โอฬารแล้วไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่หลงไหลในกามและทั้งไม่ปฏิบัติผิดร้ายต่อสัตว์คือมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีอยู่ในโลกเพียงจํานวนน้อยส่วนเหล่าสัตว์จำพวกที่ได้โพกทระซับยิ่งใหญ่โอฬารแล้วมัวเมาประมาทหลงไหลในกามและทั้งปฏิบัติผิดร้ายต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นแหะ